หลวงพ่อนี่เน้นแต่เรื่องของความหลุดพ้นเนาะไอไอตัวรู้ไอจิตรู้นั่นแหละนั่นแหละตัวนี้แหละคือตัวหลุดหลุดจากอะไรหลุดจากสิ่งถูกรู้ถ้าเข้าใจชัดเจนตรงนี้เมื่อไหร่แล้วมันก็จะง่ายแลยว้วว่าโอ้หล้นเ <c oughs> นี่ยคืออย่างเนี้ยคือรู้แล้วไม่เข้าไปเป็นไม่เข้าไปยึดไม่เข้าไปถือรู้แจ้งน่ะแล้วกว่ารู้แจ้งรู้จริงเนี่ยมันก็หลุด ว่าธรรมชาติที่หลุดเนี่ยมันมันเป็นธรรมชาติที่มีมานานแล้วแหละมันหลุดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่ด้วยความไม่รู้ด้วยอวิชชาเนี่ยมันก็เลยไปยึดไปติดนะเออเนี่ยเขาเรียกว่าอาวิชชามันติดมากับจิตเดิมแท้จิต ด, ดั้งเดิมเลยเข้ามาเป็นปฏิสนณฑที่กับดินน้ำไฟลมเนี่ยเออเพราะงั้นเกิดมาในชาตินี้ที่มีชีวิตอยู่นะทำความเขา้าใจให้แจ่มแจ้งว่าแท้จริงอนะ่ะมันมันไม่มีเรานะมีแต่ธรรมชาติ ฝ่ายพงแต่งกับธรรมชาติรู้ที่ไมุ่งแต่งก็แค่นี้เองนะแล้วก็การดำรงชีวิตประจำวันเนี่ยก็คือเนี่ยรับรู้รับรู้อยู่อย่างเงี้ยอย่างปกติเนาะเห็นได้ยินฟังรับรู้รับทราบรับรู้รับทราบไม่ว่าจะเป็นเออสิ่งที่เรียกว่าจะถูกใจหรือไม่ถูกใจอะนะมันก็เป็นธรรมชาติที่ปรากฏก็รู้แต่พื่อตพือรู้ด้วยด้วยปัญญาอันถ่องแท้แล้วว่ายังไงก็ มันไม่มันยึดไม่ได้แล้วก็ไม่มีผู้ยึดเพราะมันมีแต่สิ่งนั้นเท่านั้นเองมีแต่ทุกข์เท่านั้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นเนี่ยต้องจำแจ้งในทุกข์นะนถ้าเข้าแจถ้าจำแจ้งในทุกข์เนี่ยมันก็จะพ้นทุกข์มันจะไม่ยึดทุกข์มาเป็นตัวเป็นตนรวมถึงความสุขด้วยความเฉยเฉยด้วยอ ร, <That> s <S วรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วก็เนี่ยรู้แล้วอยู่อย่างเนี้ยตลอดวันตลอดคืนที่ต <c oughs> ื่นอยู่ยำยำยำใ่ไหม หลวงพ่อบางทีก็มันหมดเรื่องพูดแล้วแหละหมดแล้วเพราะว่าบางทีเวลาอธิบายในเรื่องการถามเรื่องภาคปริยัตเนี่ยอันนั้นเนี่ยมันไม่จําเป็นแล้วเพราะว่าเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่เป็นแผนที่เอามาใช้จากตอนที่เราไม่รู้เรื่องเนาะ <c oughs> แต่เมื่อรู้เรื่องถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยมันพูดแบบรัดรสั้นๆแล้วก็คือว่าเนี่ยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยที่รู้ที่เห็นอยู่เนี่ยเนาะแค่นี้แค่เนี้ยแล้วก็ไม่หลงไปเป็นไม่หลงไปยืดน่ะออื ง่ายแล้วอ่ะเนี่ยเขาเรียกว่าวางวางคำเภีวางตําราเพราะว่ามันเป็นของยุ่งยากเหนื่อยมากในการคิดเพื่อจะมาเอามาถามมาตอบมาจําอ่ะลองดูสิว่าเวลาคนเขาถามเรื่องตำรานะกว่าจะคิดได้อ่ะมันนานนะมันนานมากเลยว่าเต้องอธิบายยังไงอะไรเงีย้ยยากจนปวดหัวแต่ถ้ารู้เราอ่ะเนี่ยเรานั่งเราเดินเราพูดเราคิดเนี่ยรู้แล้วเนี่ยมันไม่เห็นต้องใช้สมองคิดได้ปวดหัวเลยแล้วก็ เนาะง่ายไหมยอมว<ะ>อ่ะเดี๋นี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องจิตเนาะจิตรู้จิตหลุดจิตพ้นแล้วเนี่ยจิตรู้ก็คือจิตที่รู้เรานี่แหละนะเออให้เข้าใจตรงกันถ้าเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยยอมลองที่นาดูสิว่าไอ้ของที่มันปรากฏอยู่ที่มีให้รับรู้รับทราบอะนะมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นแหละที่ยมหนุย่ยนุ้ยเคยพูดตั้งแต่แรกๆที่หลวงพ่อเจอกันนะ่ะเนาะมันก็มีของมันอยู่อย่างนั้นแล้วก็เด่นดวงมันก็ชัดเจนนะ่ะเนาะ หลวงพอ่อจะอุปมาแบบง่ายๆนะที่เห็น ด, ด้วยด้วยที่สิ่งที่อยู่นอกตัวก่อนเนาะสมมุติว่าเอาของในบ้านก็ได้ที่มีอยู่เนี่ยยมมองดูติมันก็ตั้งอยู่ของมันอย่างนั้นเนาะแต่ละอย่างแต่ละวัตถุแต่ละชิ้นมันก็ตั้งอยู่ของมันอย่างนั้นน่ะเออไม่เห็นต้องใครเป็นทุกข์เลยนะที่มันไม่ทุกข์ก็เพราะว่ามันแยกได้ไงว่าไอ้สิ่งนั้นะมันก็คือเป็นสิ่งนั้นแต่จิตรู้จิตเห็นน่ะที่เป็นที่เราคุยคุยที่ว่ารู้เราเนี่ยอันนั้นเนี่ยมันเป็นความไม่ปรากฏตัวเนะ มันก็ <c oughs> ก็คือเลยมองไม่เห็นแต่มันก็เห็นอยู่อ่ะทีนี้พอกลับมามองดูเราบ้างอะ่ะตัวเราก็เหมือนวัตถุสิ่งพวกนั้นเนะ่ที่เห็นเห็นๆเห็นก็กลายเป็นว่าตัวเรามันก็มีอยู่อย่างนั้นแหละเออก็มีอยู่อย่างนั้นแหละแต่จิตรู้จิตเห็นมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยแล้วก็สิ่งต่างๆที่ปรากฏที่มีอยู่ในตัวเราอะมากมายเนาะเรียกว่าเป็นอารมณ์เนาะมากมายนับนับชื่อกันไม่ถูกตั้งแต่แตาย แล้วก็กายมีแล้วก็ในกายก็มีจิตมีแล้วก็ในจิตมีรวมแล้วมันก็อยู่ในตัวเราทั้งหมดมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นไงมันก็เดี๋ยวเปลี่ยน <c oughs> เดียดเด๋ยวดับเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวดับมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นเนี่ยถ้าก็จะเห็นภาพอย่างเนี้เห็นไหมล่ละมันมีทุกตรงไหนอ่ะมันจำแจ้งมากเลยในยเรื่องเนี้ยเรื่องรู้เราอะ่ะเนาะะนั้นตรงเนี้ยตำราเนี่ยที่เคขาเขียนไว้มากก็โอเคแลรกแรกก็ต้องไปเรียนรู้เหมือนกับโยมเพลินโยมจำพงเนาะเออ ไปเรียนไปเรียนแต่ก็ไม่เข้าถึงสักทีหนึ่งเพราะว่าเอาตัวเราไปเรียนเอาตัวเราไปรู้แล้วก็ยึดยึดด้วยนะยึดว่าเรารู้เราเข้าใจแต่สุดท้ายเป็นไงพอมารู้ตัวเราปับ๊บตําราก็เป็นแค่ประสบการณ์เป็นแค่ของผ่านแล้วก็ทิ้งหมดก็ยังได้เลยไม่เห็นต้องเอามาอ้างเลยก็ได้เพราะมันรู้แจ้งต่อตัวเราแล้วนี่เนาะแล้วสุดท้ายเนี่ยมันต้องกลับมารู้ตรงนี้แหละพระพุทธเจ้าที่แต่รู้ได้เนี่ยก็คือกลับมารู้เรานะตอนนั้นหลวงพ่อเทียนเคยพูดนะเรื่อง ถ้าพูดได้เห็นธรรมพูดนั้นเห็นเราอะท่านก็เคยพูดเรื่องนี้ท่านบอกเห็นเรานี่แหละคือเห็นธรรมเหมือนที่โยมจมพงเคยพูดะ่ะมีหลงวงพ่อเทียนพูดมาก่อนในเรื่องนี้ท่านบอกว่ารู้เราเห็นเราเนี่ยเห็นเราเนี่ยคือเห็นธรรมเราก็ไม่เข้าใจอย่าก่อนนะเห็นเราแล้วมันพ้นมันเห็นธรรมยังไงคือปัญญามันยังไม่เต็มรอบเนาะมันเข้าใจไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะส่งเสริมเพื่อกูนที่จะให้เราเข้าใจเนี่ย นี่แหละต้องมาพูดมาคุยคนที่รู้แล้วผู้ที่เข้าใจแล้วมาบอกมาขยายมาทิ้งตรงๆนะชี้ให้รู้ถูกตัวชี้ให้ถูกตรงเหมือนกับอะไรนะที่บอกพระพระสงฆ์พระอริยสงฆ์นะเป็นผู้ปฏิบัติดีเป็นผู้ปฏิบัติตชอบเป็นผู้ที่ปฏิบัติตรงเป็นผู้ที่ปฏิบัติเพื่อออกจากทุกเนี่ย ถ้าปฏิบัติถูกต้องแบบเนี้ยเนี่ยก็เรียกว่าเป็นพระอริยบุคคลนะคือตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปแล้วอ่ะปฏิบัติ <c oughs> ดีก็คือถูกต้องคืออันนี้ต้องขยายอีกเนาะแต่อย่างน้อยคําว่าปฏิบัติ <c oughs> ตรงปฏิบัติเพื่อออกจากทุกตรงเนี้ยหลวงพ่เข้าใจง่ายเลยปฏิบัติตรงก็คือรู้ตรงตรงรู้ตรงๆงต่อตัวเองเนี่ยเนาะแล้วก็เพื่อออกจากทุกก็คือเมื่อรู้เราแล้วไงมันมีตัวรู้แล้วมันก็ออกจากทุกมันก็พ้นทุกมันมีในไฟล์เสียง ในกูเกิลใช่ไหมครับเออหลวงพ่อเทศเรื่องเรื่องไฟล์ที่ขึ้นในฟิลลิ่งเมื่อเมื่อวานน่ะนะตอนก่อนฉันเนาะห<อ>ลวงปู่หลวงพ่อก็ยกอุปมาตัวอย่างเรื่องไก่ลูกแยบอ่ะที่มันอยู่ในไข่อ่คอะค่ะโอ้ยตรงเนี้ยมันเป็นการอุปมาเพื่อให้เห็นความความที่หลุดออกมาจากเปลือกไข <c oughs> ่อ่ะว่ามันหลุดออกมาพอหลุดออกมามันก็เห็นเปลือกใช่ไหมพอเห็นเปลือกเสร็จมันจะรู้เลยว่าเปลือกอ่ะไม่ใช่มันแล้วอ่ะ แล้วมันขาดกันเนี่ยเพราะนั้นการพ้นทุกข์คือต้องออกมาแล้วก็เห็นเนาะแต่พอออกมาเห็นปั๊บมันก็แยกเป็นสองส่วนใช่ไหมสิ่งถูกเห็นกับผู้เห็นแต่บางเออว่าผู้เห็นมันไม่มีตัวมันเป็นเป็นสิ่งที่หลุดแต่เมื่อก่อนมันไม่หลุดไงมันเข้าไปอยู่เป็นเนื้อเดียวกันกับตัวเราแต่พอมันเห็นตัวเราปั๊บมันก็เลยหลุดเป็นผู้ดูผู้เห็นตัวเราก็ขาดซะบ้างคือกลับไปเป็นตัวเราไม่ได้อีกแล้วเพราะมันมันแยกขาดมาแล้วอ่ะมาแล้ว เออลวงฟังดูนะหลวงพ่อบางทีพูดพูดไปมันก็ยิ่งพูดยิ่งชัดอ่ะนะงั้นเดี๋ยวเดีหนุ่ยพิ้นอันเก่าให้ดีไหมคะหรือว่าอันนี้ <S <S ดีดค ะ, <ด>ะแล้วก็พอพอมาวันนี้นะหลวงพ่อก็ต่อยอดจากของเมื่อวานใช่ไหม<ฆ> <S <S ก็มาว่าพูดกับโยมว่าโยมหลวงพ่อมาอยู่ที่นี่นะหลวงพ่อให้ธรรมะนะโยมก็ฟังกันทุกเช้าทุกเช้าเนี่ยโยมไปพิจารหรือเปล่าโยมไปไปทดลองทําหรือเปล่าปรากฏว่า มันมีโยมมีคนหนึ่งบอกว่าไปพิจารณาไปทำพอไปทำปั๊บมันเข้าใจเลยมันร้องอ๋อขึ้นมาเลยส่วนโยมคนอื่นฟังเสร็จแล้วก็ไม่ทำอะไรเลยเราบอก <c oughs> โยมก็ <c oughs> เสีเวลาเปล่านะแล้วก็พูดถึงเรื่องว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจริงๆท่านก็บอกเราทั้งนั้นแหละบอกเหมือนกับว่าให้ไปลองไปลองดูไปลองทำอย่าเพิ่งเชื่อเมื่อทำแล้วลองแล้วถ้าเกิดว่าพิสูจน์ได้จริงว่าเออ มันให้ผลในทางที่เป็นไปเพื่อความออกจากทุกข์เพื่อพ้นทุกข์อันนั้นแหละแล้วค่อยปรองใจเชื่อเพั้นสิ่งที่หลวงพ่อพูดไปเนี่ยก็อย่าเพิ่งเชื่อแต่ลองเนาะให้ไปลองดูลองแล้วถ้าลองแล้วไม่ถูกใจไม่เป็นจริตก็ก็ก็ไปหาวิธีใหม่เอาแต่ถ้าลองแล้วมันเก็ตมันเก็ตใช้ได้ใช้ไ ด, ได้นั่นแหละเดี๋ยวมันก็มันก็ไปโลดเองเอประมาณ อ, อย่างเงี้ยก็ว่า <c oughs> มีมี <c oughs> หลายท่านค่ะในในในคลับเฮาส์ค่ะก็โอ้หลวงพ่ออาจจะยังไม่ได้สนทนาด้วยค่ะต้องบอกว่า ต้องเรียกว่าสภาวะนะคะขอยิยบสอพูดมาใช้สภาวะคือภายในไม่กี่อาทิตย์นี่ค่ะเปลี่ยนแปลงไปมากค่ะนะะจากการที่พูดคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อจริงๆก็เนะะี่ยค่ะก็อนุมโมทนากับทุกทกท่านด้วยค่ะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสหรืออาจจะแบบอินไวต์เข้ามาแต่หนูจำชื่อจริงเขาไม่ได้ค่ะนะะเป็นผู้หญิงค่ะตอนตั้งแต่ แ, ตแรกๆยังมาถามหนูว่าเนี่ยจะไปเขาใหญ่เที่ยวนะคะแล้วจะไปหาครูบาอาจารย์ ที่แถวนั้นเนี่ยมีคนไหนเก่งๆบ้างเลยนะคะนึกบอกว่ามไม่ต้องไปหาครูบาอาจารย์ที่ไหนหรอกสิ่งที่เออจะสองเราได้ดีเนี่ยก็คือตัวเราเองนี่แหละนระไม่ต้องไปหาความรู้ที่ไหนนะความรู้มันอยู่ในตัวเรานี่แหละแล้วก็ปฏิบัติกับตัวเราเองเลยนะคะไปเที่ยวคือไปเที่ยวไม่ต้องไปหาครูบาอาจารย์ท่านก็ได้ เ, เฉพาะได้ชี้แนะไม่ใช่แบบมาแบบสามารถที่จะอันนั้นทําให้เราพัฒนาตรงจุดนั้นได้อะไรอย่างเงี้ยนะขนาดนั้น ประมาณนี้ยค่ะแต่ว่าหนูนี้จําชื่อไม่ได้ะคะ่ะเดียถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะให้เขามามามาพูดนะคะอ้าวคุณเมื่อกี้คุณจี น, น่าหายไปแล้ว <laughs> เดี๋ยวหนูนิอาจจะต้องขออนุญาตเอ่อไปอ่านหนังสือเสียงค่ะเดี๋ยวนี้กลับมาช่วยจัดค่ะหลวงพ่อคะ่ะต้องขออภัยนะคะพอะดีเดี๋ยวนี้เอ่อเปิดไว้สามทุ่มะคะ่ะตอนนี้สามทุมเจ็ดนาทีแล้วเดี๋ยวนี้กลับมาช่วยจัดอีกทีหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะวันนี้โยมที่ที่อยู่ที่วัด น, นะ โยมก็พูดออกมาจากปากตัวเองโยมบอกว่าโอ้โหพอไปทดลองทำไปอะไรเนาะมันเข้าใจมากเลยแล้วก็ความง่วงความเลยห้ยหมดเลยนะแล้วโยมก็เหมือนกับยืนยันว่าไอ้มันไม่เหมือนเก่าอะเมื่อก่อนมันมันอีกแบบหนึ่งเนาะมันหนักยังไงไม่รู้แต่พอมาตอนนี้มันโลง่งมันโปร่งมันมันร่าเริงหลวงพ่อก็มองแล้วโอ้อยางีงถูกต้องแล้วเพราะคนที่พูดคนที่ประสบประสบกับ ตัวเองเนี่ยมันก็ต้องพูดในแนวนี้แหละว่าต่างเก่าไม่เหมือนเดิมเหมือนกับทุกลายเลยก็จะพูดว่ามันไม่เหมือนเดิมมันไม่เหมือนเดิมเล้วถึงความแตกต่างนี่แหละตรงเนี้คือใช่เลยเนาะแต่ทีนี้หลวงพ่อก็บอกโยมอีกว่าที่โยมพูดมานะโอเคมันมันแตกต่างไม่เหมือนเดิมแล้วแต่ยังมีเล็กๆน้อยๆนะมันยังมีที่ยังเข้าใจผิดอยู่ถ้าหลวงพ่อยังอยู่ก็จะเนี่ยค่อยๆจี้ทีละอย่างทีละอย่างเพราะว่าตรงนี้มันเก็บรายละเอียดแล้วไงเนาะ เราก็สังเกตจากคําพูดของเขาแหละ ว, ว่าเออตรงนี้เขายังเข้าใจผิดนะแล้วเราก็แก้จุดให้ทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยเหมือนกับลวงพ้ออุปมาคล้ายๆว่าการก่อสร้างงานน่ะเนาะบางทีเราก็ทํานูน่ทนทํานี่แต่ก่อนจะส่งมอบอ่ะมันจะต้องเก็บรายละเอียดเนียบเลยนะธรรมะก็เหมือนกันที่บอกว่าเออเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเนี่ยถูกต้องแล้วและเข้าใจแต่มันยังมีเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆเนี่ยตรงเนี้ยความหลงผิดอยู่เนะอือจึงถ้าคุยกันต่อไปฟังกันต่อไปมันก็จะ จะจะหลุดจากความเห็นผิดในสิ่งเรานี้จนกระตั่งแจ้งแจ้งแจ้งแจ้งของโยมของโยมนของโยมนิชชาเนาะอ่าโยมนิชานนชากับโยมโยมอ่าดึงชื่อที่ออกไปละอันนี้ก็เก่งถือว่ามีความเข้าใจมีความเข้าใจแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วทีนี้เมื่อมันเปลี่ยนแล้วนะของเดิมนะ ทิ้งเลยนะอย่าอยาอย่าลื้อฟื้นอย่าลื้อฟื้นมามาทบทวนอะไรมากให้มันลืมไปเลยเพราะอันนั้นนะมันมันไม่ถูกแต่ของใหม่ที่เป็นถูกที่เป็นอัปเดตเนี่ยอันนี้ถูกกว่าก็อยู่กับสิ่งที่ถูกต้องเนี้ยเพื่อให้มันต่อ ย, ยอดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยอย้เอาเชิญคนอื่นพูดเพราะว่าหลวงพ่อบางทีพูดไปมันก็หมดเรื่องพูดอ่ะนะถ้ากับหลวงพ่อกับฤมษสการครับท้าวจานทร์พลอยกับฤมษสการครับพอดีนิชามีประเด็นที่จะถามหลวงพ่อว่า ให้นิชาถามดีมกว่าครับเรียนเชิญครับกลับนาัส ก, การหลวงพ่อค่ะแล้วก็นกกาัสก่นพระอาจารย์พลอยพี่จอมแล้วก็พี่เพลินนะคะสวัสดีดทุกทุ่นค่ะนะคะพอดีจริงๆ อ, อ, อยากมามาเล่าประสบการณ์มากกว่าค่ะแล้วก็อาจจะได้รับคำชี้แนะด้วย โ อ, อ้คือคื อ, คอตั้งแตออ่ที่เมื่อวานนะคะที่เราเราขอเล่าอาดีตไปก่อนนะคะว่าเมื่อวานมันก็เห็นเห็ น, เ ห, นเห็นตัวเราใช่ไหมคะแล้วก็มีแปลกในที่นี้คือ ต, ะคะตัวเก่าอะค่ะตัวเก่าอะที่เมื่อกี้หลวงหลวงพ่อได้ชี้ว่าลืมลืมลืมสภาพเก่าคือคือไม่ต้องตั้งใจลืมคือลืมมันลืมเลยค่ะคือตอนเช้าตื่นขึ้นมา สังเกตได้ว่ า, อ, าอ้าวปกติตื่นปุ๊บรูปั๊ บ, บ, บรู้รู้ตัวรู้มันถ้าเป็นมนุษย์เราก็จะบอกมันหลบหลบเหมือนว่ามันหายไปไหนไม่รู้ละมันไม่โผล่ามาให้เห็นหน้าแล้วก็พราะไม่โผล่ามาให้มันเห็นหน้าอ่าเราเราเราก็เราก็เราก็สังเกตเพราะว่าตอนเช้าๆมันจะมันจะมีสมาธิที่มันไม่มีนิวรหรืออะไรก็ ก็ช่างแต่ว่ามันก็มีไอ้ที่เหมือนเหมือนสมาธิมันเต็มมันก็จะแบบใจ ต, ตองเองของมันว่าเออตัวรู้ไม่ทํางานเหมือนเดิมอย่างแน่นอนอย่างเด่นชัดเลยว่ามันหายหายหน้าหายตาแล้วก็แบบในเมื่อตัวรู้หายหน้าหายตาฉั้นก็ไม่สามารถที่จะไปเราพูดแบบว่าชั้นก็ไม่สามารถที่จะไป อ, อถามว่าใครรู้เพราะว่าเราในเมื่อตัวรู้มันโหจับยากเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ย เราก็เราก็คิดแปบ๊แปบๆนี่อะค่ะใช้เวลาหนึ่งนาทีในการคิดตัวเนี้ยก็เสร็จแล้ ว, ลวหลังจากนั้นเราก็อนั้นก็ช่างวันอะไรอย่างเงี้ยเออในเมื่อในเมื่อตัวรู้เป็นอย่างงี้ก็สแสดงว่าก็กดีดีแล้วเออเพราะว่าขี้เกียจขี้เกียจรู้เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะก็ก็คิดแบบโง่ๆไปเออพอดีเดินไปตอนเช้าทุกเช้าก็จะไปจูหมาหมาเดินจูหมาที่ก็เห็น ก็ไม่ได้ไปสนใจอะไรในชีวิตแค่จุงหมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้เราก็เห็นตัวเราอีกเห็นอย่างที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะเห็นตัวเราว่ามีมนุษย์ตัวหนึ่งจุงหมาเห็นแบบว่าแบบมันไม่ได้ไมไ่ไม่ได้เห็นเหมือนมนุษย์ชื่อนิชาเป็นผู้หญิงหมาสีดําหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้แต่ว่าก็เห็นรวมๆเหมือนที่เห็นเมื่อวานที่ร้องเพลงอะ่ะก็ พอเห็นตรงนั้นเขาก็สรุปของเข า, เ อ, าเองว่าอืมถึงเวลามันก็รู้เองเราเราไม่ต้องไปตั้งรู้ไม่ใช่ว่าตั้งรู้เราไม่ต้องไปพยายามหาหาให้รู้แล้วค่อยมาถามใครว่าใครรู้คือคือคือสเต็ปตรงนั้นมันผ่านไปแล้วอะค่ะถามแล้วสามครั้งคือจบเราคือจะพยายามเท่าไหร่หนูก็ไม่สามารถ ไปถามคําถามนี้ได้อีกแล้วเลยมันแปลกมากเพราะว่าคือคือสรุปเลยว่ามันปล่อยเป็นธรรมชาติเดี๋ยวเขาก็ถามของเขาเองหรือถ้าเขาไม่ถามเขาแค่เห็นก็จบเนี่ยเราไม่ต้องทําหน้าที่อีกแล้วอ่ะคะ่ะหลังจากนั้นพอสรุปเสร็จอีกถ้าแค่นาที่เราก็เราก็คิดของเราแบบคิดเป็นเป็นเป็นเราคิดอะนะคะไม่ใช่คือสังขารนั่นแหละแต่ว่าก็คิดไตรตรองอะไรเงี้ยเอา้าเฮ้ยทำไมมันข้ามสเต็ป ปกติหลวงพ่อให้แบบทำหนี้ไปเรื่อยๆถามไปเรื่อยๆแต่ทำไมมันมันมันมันเหมือนถามไม่ได้ถึงแม้อยากถามก็ถามไม่ได้แล้วที่หลังมันก็ไม่อยากถามแล้วมันแต่พอพอพอไม่อยากถามไม่ถามมันก็ไม่ต้องถามมันมันมันรู้เราเลยอย่างเงี้ยค่ะคือมันเหมือนแบบด้วยที่ว่าเรา เราเราไม่ได้กระทํามานานแล้วเหมือนว่ากระทํำหมายในที่นี้หมายถึงตอนเป็นผู้รู้ปลอมอะ่ะเราก็ไม่ได้ไปกระทําผู้รู้ทํางานอนัตโนมัติพอมาถึงผู้รู้ตัวจริงอะ่ะเราก็เหมือนเป็นติดนิสัยว่าไม่กระทําอะไรอะ่ะให้มันรู้รู้จริงโดยอัตโนมัติไปในตัวหรือเปล่าก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันแต่ว่าสรุปคือมันหนูจะไปถามอีกมันมันมันไป มันเป็นเพ่งตัวรู้มันเป็นเพ่งตัวรู้ปอมาให้มันเกิดขึ้นแต่ เ, เราเห็นแล้วก็ถามอ่ะมันทำไม่ได้อีกแล้วค่ะหลวงพอ่อช่วยชี้แนะด้วยค่ะอ่าพอดีเสียงมันสัญญาณนะมันจะหายเป็นช่วงๆแต่ก็พอพอเข้าใจในสิ่งที่โยมเล่าได้นะหลวงพ่อก็จะพูดในทํานองว่านี่คือความเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงจากที่ที่เคยปฏิบัติแบบตอนโน้นในอดีตนะ แต่พอมาตอนนี้มันเป็นอย่างนี้เนี่ยคือการเ็เรียกว่าทางเดินของมันเนี่ยมันถูกต้องเขาเรียกว่ามันมาในทางที่ถูกนะเพราะว่ามันเห็นความแตกต่างได้ชัดทีนี้ถ้าหลวงพ่อจะจะลองพูดเรื่องที่ที่โยมเคยปฏิบัติมาก่อนนะแล้วตรงนี้มีคนปฏิบัติผิดกันเยอะแต่ก็ไม่รู้ว่าผิดคือมันจะมีตัวเราเป็นผู้ดูเหมือนกับว่า โอเคครูบาอาจารย์ท่านสอนบอกว่าให้ดูจิตนะดูจิตคือเห็นอาการของจิตเห็นความเกิดความดับอันนี้คือเป็นสิ่งที่เขาถ่ายทอดมาเป็นคําพูดแต่พอเราภาคปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้เอาจิตมาดูจิตแต่มันตั้งท่าเลยเอาตัวเราเลยเป็นผู้เดินบ้างนั่งบ้างนอนบ้างแล้วก็เราเนี่ยเป็นผู้ดูจิตพอดูจิตมันก็แน่นอนเนะ่ยเพราะว่ามีตัวเราเป็นผู้ดูเนาะมีความตั้งใจดูแล้วก็จะเห็นไปหมดเลยเห็นอาการของจิต นอย่างโน้เห็นความคิดเห็นอารมณ์ต่างๆเห็นชัดมากเลยนะตรงเนี้ยคนใหม่ๆมันก็ต้องเดินสูตรนี้แหละเพราะว่าด้วยความไม่รู้นะแต่ถ้ามีครูบาอาจารย์มาบอกท่านบอกว่าอย่ามัวแต่ทําอย่างนั้นแต่สิ่งที่ต้องรู้คือต้องรู้เราที่เป็นผู้ดูจิตนะเมื่อรู้เราว่าเราเนี่ยเป็นผู้เดินผู้นั่งผู้นอนดูจิตเนี่ยรู้ขณะที่รู้เราตรงนั้นแหละจะมีจิตแท้จิตเดิมเดิม มารู้เราเห็นไหมมันก็จะเกิดความรู้ใหม่เกิดขึ้นว่าอ๋อมันต่างเก่าต่างกันตรงที่ว่าเมื่อก่อนเราเป็นผู้ดูจิตแต่มาบัด น, นี้จิตเป็นผู้ดูเราเอา้าเราเป็นสิ่งถูกดูพอเราเป็นสิ่งถูกดูเสร็จแล้วมันไม่มีผู้ดูแล้วไงไม่มีผู้ดูอาการของจิตแล้วเพราะตัวเราได้เปลี่ยนสภาพจากผู้ดูมาเป็นสิ่งที่ถูกดูใช่ไหม ก็กลายเป็นว่าเราเนี่ยจะไม่เห็นอาการของจิตเหมือนก่อนแล้วเพราะว่าไม่มีเราเป็นผู้ดูใช่ไหมแต่มันจะมีจิตตัวจริงมารู้เราเป็นตัวตัดไงตัดไม่ให้เราไปดูจิตเพราะจิตตัวจริงมันดูเราเพอดูเราเราเป็นสิ่งถูกดูอา้าวมันก็จบลงพอตัวเราเป็นสิ่งถูกดูทุกครั้งไปเราก็จบลงเพราะว่ามันมาทำลายตัวเราที่เป็นผู้ดูให้ย่อยสลายคือให้แบบสลายไปเลยหมดไปเลย พอตัวเราถูกสลายไปหมดแล้วเห็นหั้มที่โยมบอกว่าทําไป ม, มันทําแบบเก่าไม่ได้แล้วไงราะว่ามันถูกสลายไปแล้วไงเ อ, อมันทําไม่ได้ยังไงก็ทํายากเพราะว่าถึงทํายากเพราะว่าพอจะทํำปั๊บไปจิตตัวจริงอ่ะมันก็รู้เราทุกทีเวลาเราจะทำํำพอจะทําอีกเอา้ามันรู้เราอีกแล้วมันก็ตัดตัวเรามันก็ทําลายตัวเราทุกทีกลายเป็นว่าเราไม่อาจจะเป็นผู้ดูจิตอย่างเก่าได้แล้ว แล้วก็แต่ว่าถ้าอยากจะทำก็ไม่ไม่ควรจะทำอย่างนั้นแล้วนะเพราะว่ามันเสียเวลาแต่ความถูกต้องมันอยู่ตรงที่ว่ามันรู้เราไงเออแล้วก็นี่คือเป็นจุดที่คนทั่วไปที่แบบเป็นผู้ดูจิตปฏิบัติผิดมาตลอดแต่ก็ไม่รู้ว่าผิดฟังครูบาอาจารย์เท่าไหร่แล้วก็ยังไม่รู้ว่าว่าผิดอีกเพราะว่ามันเป็นอะยากมันก็ยากสุดๆอ่ะการที่จะรู้ตัวเราแต่ถ้าหลวงพ่อพูดได้เห็นภาพนะ โยมลองดูนะมันเห็นไม่ยากหรอกสมมติว่าระหว่างเนี้ยเรายังไม่ได้พูดถึงว่าเออให้ทุกคนดูจิตนะเรายังพูดเรื่องทั่วไปก็ทุกคนก็ฟังเป็นปกตินะฟังแบบเหมือนกับคนไม่ปฏิบัติธรรมอะ่ะแต่ทีนี้พอบอกว่าเอา้าเดี๋ยวจากนี้ไปทุกคนให้ปฏิบัติตามแนวดูจิตเนี่ยพอได้รับคําสั่งแค่นี้ใช่ไหมเขาสั่งใครอเขาก็สั่งเราไงแล้วเราก็ทํา แต่เราก็ยังไม่ชัดเจนว่าไอ้ที่เขาสั่งว่าให้ทำอ่ะมันไม่ใช่ตัวเราเป็นผู้ต้องทําอะไรแล้วก็ไปไปยึดถือกันแล้วว่าเดี๋ยวเราต้องทําวิธีทํามันทํำยังไงอะ่ะถ้าสมมุติว่าจากจากนั่งอยู่ท่าแบบนั้นนะเช่นนั่งชันเขานะสมมตินั่ ง, งชันเขานั่งคุยนั่งชันเขาเพราอ่ะไอ้ดูจิตเห็นไหมร่างกายเนี่ยก็จะมีการปรุงแต่งแล้วจะมีการจัดท่าจัดทาง นั่งพับเพียบนั่งอะไรก็แล้วแต่เนาะอันนี้นี่จริงๆสังขารกำลังปรากฏหมดแต่พลาดคือไม่เห็นตัวเองว่าตอนนี้กำลังทำแบบนี้อยู่ทีนี้พอพลาดแล้วก็มันก็พลาดต่อไปดิเพราะว่ามันพลาดตั้งแต่ครั้งแรกเรายังยังไม่รู้ว่าพลาดเนาะแล้วก็นั่งปิดตาพริ้มแล้วก็ส่งส่งส่งเขาเรียกว่าส่งจิตออกนอกคือไปดูอาการของจิต ใครเป็นคนส่งออกนอกก็เรานั่นแหละเราเป็นผู้ส่งเพื่อที่จะให้มันไปเห็นอาการของจิตแล้วก็ทําไปหนึ่งชั่วโมง2องชั่วโมงก็ยังไม่รู้ตัวเราอีกนะว่าเราเนี่ยตอนนี้เป็นผู้ดูจิตยังไม่รู้พอยังไม่รู้เสร็จแล้วตัวเราก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าอาการในจิตเป็นยังไงมีความคิดมีความนึกเห็นการเกิดการดับเนาะเห็นเห็นเห็นกลายเป็นตัวเราเป็นผู้เห็นอาการของจิตแต่ก็ยังไม่รู้ตัวเราอีกว่าเราเป็นผู้เห็นอาการของจิต ทีนี้และครูบาอาจารย์ชั้นเลิศจึงมาบอกว่ารู้ตัวไหมว่าตัวเรา่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมตัวเราเป็นผู้ดูจิตบางคนถ้าเก็ตตรงนี้เนี่ยโอ้โหว้าเลยนะฉับพันเลยบางคนไม่ว้าเลยก็ยังทําต่อไปกี่ปีกี่ปีก็ยังทําเป็นผู้ดูจิตทีนี้หลวงพ่อก็จะชี้ให้เห็นว่าถ้ารู้ตัวว่าเราอเป็นผู้ดูจิต ตรงนี้และจะเกิดภาวะคือจิตตัวจริงก็จะมารู้เรารู้เราว่าเมื่อกี้เนี่ยมีตัวเราจริงๆมีตัวเราเป็นผู้ดูจิตโดยนั่งอยู่ในกัริยาท่าทางแบบนั้นเห็นบางทีอาจจะก้มหัวนิดหนึ่งก้มเอาหัวเราเนี่ยไปดูจิตแต่จิตตัวจริงอ่ะมันไม่ได้เห็นหัวเราที่เป็นผู้ก้มใช่ไหมเออทีนี้ถ้าอาจารย์มาบอกเห็นไหมล่ะพฤติกรรมของเราอ่ะท่าทางแบบเนี้ย กำลังก้มหัวว่ากำลังดูกำลังส่งจิตออกนอกอ่ะรู้ไหมถ้าบอกว่ารู้แล้วก็เกิดฉเฉลียวใจขึ้นมาว่าโอ้รู้เราจริงๆมันรู้เราจริงๆตรงนี้แหละจะได้พบพบจิตแท้จิตเดิมเดิมว่าไอจิตเดิมแท้เนี่ยคือจิตที่รู้เรานั่นแหละอะาทีนี้เนี่ยที่หลวงพ่อพูดแบบเนี้ยถ้าใครเข้าใจนะจะโผล่เลยจะหลุดได้เลยว่าโอ้ที่ผ่านมาผิดหมดเลยในเรื่องของการดูจิตนะมันผิดตรงที่เราเป็นผู้ดูแต่ไม่รู้เรา ทีนี้เมื่อถ้าเกิดเข้าใจแล้วนะว่าการรู้เรานี่แหละคือจิตตัวจริงมารู้เราต่อมาถ้าเราจะทําแบบดูจิตเหมือนที่เคยทําอ่ะมันรู้เราทันทีเลยว่าอ่านี่เราทําแบบนี้อีกแล้วเห็นไหมเราทําแบบนี้อีกแล้วแล้วก็ต่อไปก็พอมันรู้ทันปั๊บเนี่ยก็แค่นั้นแหละมันก็จะรู้เราไปเรื่อยรู้เราไปเรื่อยนะพอเราเผลอไปทํามันก็รู้เราพอเราตั้งท่ามันก็รู้เรา ระดับของการรู้เนี่ยมันก็จะคล่องแคล่วว่องไวมากขึ้นคือจะรู้เร็วรู้ทันมากขึ้นในพฤติกรรมของเราเนาะพฤติกรรมทางกายเนี่ยมันรู้ได้ง่ายนะพฤติกรรมทางกายเพราะว่าส่วนมากเราแสดงออกทางกายอยู่แล้วในเบื้องต้นสแสดงออกทางกายในการเดินการนั่งการนอนการจับท่าเนี่ยมันก็รู้รู้ชัดแต่ถ้ารู้กายแล้วเนี่ยภายในกายมันก็มีใช่ไหมมีมากมายเพราะว่าในกายเนี่ยพวกจิตพวกอะไรมันก็อาศัยกายอยู่แล้ว ต่อมาก็จิตพูดจิตภาคจิตคิดจิตบนก็จะรู้ได้ง่ายนะทีนี้การรู้อันนี้มันก็ต่งเก่าคือจิตแท้จิตเดิมนี่แหละมารู้อาการของจิตนะมันไม่ใช่เรารู้แล้วแต่ถ้าลองเรารู้มาหลายมันก็จะรู้เราอีกเนี่ยคือตรงนี้แหละมันเป็นที่เป็นเรื่องที่ละเอียดมายุคนี้ดีที่เกิดมาได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ท่านสอนเราแบบนี้นะสอนหลวงพ่อมาแบบนี้ หลวงพ่อเข้าใจแล้วก็แล้วก็มันลงใจใจก็เลยมาถ่ายทอดต่อนะถ่ายทอดต่อเพื่อให้จากรุ่นหนึ่งมาสู่อีกรุ่นหนึ่งเนาะเออถ่ายทอดต่ออย่างนี้อย่างนี้ทีนี้ถ้าสมมติโยมฟังเข้าใจแล้วก็เข้าใจแจมแจ้งแล้วก็ไปถ่ายทอดต่อก็ก็อีกรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าถ่ายทอดภาษาทางธรรมะก็บอกว่าจากจิตสู่จิตจากจิตหนึ่งไปสู่อีกจิตหนึ่งเนี่ยเนาะ ถ่ายทอดไปเรื่อยไปเรื่อยื่ อ, อที่เล่ามาแบบนี้มีความชัดเจนแจ่มใสขึ้นไหมก็แล้วแต่บุคคลแล้วแต่เนาะแต่และคนที่มีปัญญายังไงก็นั่นกันไปอ่ะหลวงพ่อก็พูดในเท่านี้ก่อนแล้วก็ลองที่ว่าหลวงพ่อพูดแบบนี้เข้าใจหรือไม่เข้าใจตรงไหนยังไงเจนนะขออนุ ญ, ญาตค่ะคือ มันมีความอ๋ออ๋ อ, อแบบดังๆในใจแบบอ๋อแบบยาวที่สุดในโลกก็ตอนที่หลวงพ่อสรุปว่าอาการที่ไม่ใช่าการอะสภาวะที่เป็นเมื่อกี้ที่หนูเราเล่าให้หลวงพ่ออะค่ะหลวงพ่อสรุปเหมือนแบบเห็นชัดเลยสาเหตุหรืออะไรก็ที่มาของความเป็นอย่างนี้ก็คือพอเอเมื่อก่อนเนี่ย ตอนที่ผู้รู้ที่ผู้ผู้รู้ปลอมอะเราหลวงจะเรียกว่าปลอมไปดูาการต่างๆความคิดอะไรทุกอย่างที่เขาไปดูเนี่ยไอตัวนั้นะมันเป็นผู้ถูกรู้มันก็ดับไปใช่คะก็ตัดไปอย่างเงี้ยค่ะและตอนเนี้ยผู้รู้ตัวจริงเนี่ยซึ่งซึ่งมันก็ไปทำหน้าที่เดียวกับผู้รู้ตัวปลอมและ เป็นว่าผู้รู้ตัวปลอมเนี่ยดับไปเออก็ ก, ก็อ๋ออยู่อ๋อก็ก็อ๋อ อ, อ, อย่างนี้อะไรค่ะเหมือนว่ามันเป็น process เดียวกันแต่เพียงแต่ว่าตอนผู้รู้ตัวปลอมเนี่ยมันทําหน้าที่อะเราเห็นมันทําหน้าที่ชัดเพราะว่ามันอาจจะไม่เข้าใจเหมือนกับว่ า, วาเอ๊ะทําไมตอนนั้นเราเราเห็นมันอาการดับต่อหน้า ต, ต่อตาแต่ว่าเวลาแบบเวลาแบบผู้รู้ตัวจริงมันทําให้ดับอ่ะเหมือนว่ามัน มันมันรู้ตัวรู้ปลอมอีกทีเนี่ยมันคมมันแสดงว่ามันตัดคมมากอะพูดถึงเปรียบเทียบอะค่ะมันตัดได้คมจนจนมันตัดชืบไปเลยมันแบบไม่รู้ตัวเลยว่ามันตัดเมื่อไหร่อ่ะมันเหมือนตัดตัดตตตัดเพราะว่าผู้รู้ไม่โผล่อะแต่ว่าอาการสมัยก่อนเวลารู้ปลอมอะมันไปตัดอาการต่างๆอะอาการมันยังมีผบุบผบูโอะค่ะ คื อ, คอไม่ทราบว่าตรงนี้นี่หนูอธิบายชัดหรือเปล่ามันอธิบายค่อนข้างมันยากมากแต่ว่าพยายามอธิบายว่ามันต่างกันนะคะเพราะเวลาผู้รู้ตัวจริงเนี่ยมันไปตัดไอผ้ผู้ผู้รู้ตัวปลอมที่กำลังอยากจะโผล่มันมีความรู้สึกไม่เหมือนกับกับเพราะมันจะมีคำถามว่าอะ่ะมันยังมีคำถามเลยว่า เ อ, อ่อทำไมถึงทำไมผู้รู้ไม่โผล่อเพราะเราไม่เห็นการตัดของมันนะคะเออจริงๆเราเราไม่เห็นโพสต์สตรงนั้นนะคะมันอาจจะเร็วมากจนเราไม่เห็นหรือรว่ามันเนียนมันทำหน้าที่ดีมากหอะไรหนูไม่เข้าใจแต่ว่าตอนทู่รู้ตัวปลอมหนูตัดไปเรื่อยอย่างเงี้ยหนูจะเห็นการดับด้วยค่ะเกิดแล้วก็มันก็ดับต่อหน้าคือการตัดหรือวางอย่างเงี้ยค่ะแต่อันเนี้ยมัน มันมันมันมันละมุนหรือยังไงเดียพูดยังพูดมันไม่มีคําพูดที่อธิบายว่าหนูมันเนียนเหรอคะหรือยังไงอะมันเอ่อมันตัดเสร็จศัพท์เรียบร้อยเราก็ไม่รู้ตัวอะไรเลยแต่มันทําหน้าที่จบเลยให้เราอย่างเงี้ยค่ะจนจนเหมือนว่าคู่รู้ตัวปอมมันมันดับเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้ตัวเลยค่ะแต่มันดับมันไม่มันไม่มีให้เราเห็นแม้แต่ซากมันเลยค่ะ คือมันหายไปเลยแล้วก็เราก็พยายามไม่พยายามหาแล้วเพราะว่าเรารู้สึกดีถ้าไม่มีมันนะคะแรกๆอะ่ะหนัวจะคิดอยู่กลัวๆนิดๆเหมือนว่าเฮ้ยเอ๊เรามันหายไปเนี่ยเหมือนเราไม่ปฏิ บ, บัติหรือหรือว่าเราเรามาผิดหรือว่าเราอ่ะเอ๊มันมีแปลกๆอะคะ่ะว่าจริงๆมันต้องมีไม่ใช่หรอผู้รู้ เราไมได้เป็นผู้รู้แล้วเราเราไม่มีมันแล้วเหมือนมันความรู้สึกเหมือนเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมอะเหมือนเราเราออกนอกลูก่นอกทางหรือเปล่าหรือเราหลงหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะมันมีความกลัวอยู่แวบหนึ่งอะคะ่ะแต่หลังจากนั้นเราก็ผ่านมันไปนี่มันอันนี้คือพูดถึงนาทีเลยนะคะนาทีหนึ่งที่มันกลัวะคะ่ะแล้วมันก็ผ่านไปอะคะ่ะเพราะมันแปลกจริงๆอะคะ่ะมันมันรู้สึก มันเหมือนมันอยู่ในชีวิตเรามานตั้งนานแล้วอะ่ะแล้ววันนึงมันก็แบบฮึบหายไปแบบหาตัวไม่เจอะพยายามหาหาอยู่เอ๊ะมีอารมณ์โกรธให้รู้อา้าวไม่รู้แล้วอารมณ์โกรธก็คือไม่โกรธก็เฉยๆกับมันคือมันไม่ได้รู้แล้วอะว่าโกรธแต่ว่ายังมีสติยังยังงับทุกอย่างเหมือนเหมือนเดิมโดยที่ไม่ใช้ผู้รู้ตัวปลอมเลย ดีกว่าเดิมด้วยซ้ารู้สึกไม่ได้สองวันนี้ไม่มีความหมงุดหงิดไม่มีความโกรธเลยอะค่ะไม่ได้แต่งตัวเองไม่ได้ไปจัดตัวเองให้ไม่โกรธแต่ว่าสังเกตว่าเอ๊ะทำไมเราอารมณ์ดีเหมือนไม่ได้จัดอารมณ์ไม่ได้แบบจัดให้มันอารมณ์ดีแต่มันก็ดีของมันไม่ปกติมันหงุดหงิดมันต้องมีนิดนึงอะค่ะ เป็นคนไม่ค่อยหงุดหงิดง่ายแต่ก็มีนิดนิดหน่อยๆน่อยเฮ้ยทำไมร้อนจังหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ๊แต่วันนี้มันแล้วก็เมื่อวานด้วยค่ะมันรู้สึกเป็นเขาเรียกว่าอาจจะอาจจะเป็นกลางหรือก็ก็ก็ไม่ถึงว่าร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าเหมือนมันมันเอ่อพูดไม่ถูกค่ะค่ะตอนนี้ <c ười> คือเออก็ ถ้าวันไหนพูดถูกหนูก็จะจะจะมาเคลียร์ตรงนี้อะค่ะเพราะว่าตอนนี้มันมันอธิบายไม่ถูกจริงๆว่าอมันโกรธแต่เออเดี๋ยววันหลังหนูจะหาคําพูดอะค่ะว่ามันมันโกรธแต่มันยังไงอะค่ะแต่ส่วนที่ว่าหลวงพ่ออธิบายว่าผู้รู้โดนโดนถูกรู้แล้วมันไม่มาเนี่ยหนูเข้าใจแจมแจ้งอะค่ะแล้วมันก็อ๋อแล้วมันก็ยิ้มตอนนี้ยังยิ้มอยู่เลยเพราะว่ามันรู้สึก เคลียร์ตรงนี้ก็เคลียร์ไปทีละอย่างอะค่ะหลวงพ่ อ, อ, อแล้ววันนี้ก็เห็นเห็นเห็นอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะคะที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะเวลาที่จูงหมาเนี่ยแหละคะ่ะมันเห็นว่าตัวหนึ่งจูงใช่ไหมคะมันมนุษย์จูงหลังจากโมเมนต์นั้นหลังจากวนินาทีที่เห็นตรงนั้นมันก็เห็นอีกอย่างนึงว่าอดีตที่ผ่านมาทั้งหลายทั้งมวลเมื่อวาน นี้ที่คุยหรืออะไระๆก็ตามวินาทีเมื่อกี้อะไรเป็นตัวถูกรู้หมดเลยค่ะมันเป็นสิ่งที่ถูกรู้หมดเลยโดยที่หนูไม่ต้องไปถามคําถามซ้ําเลยว่าใครรู้อะไรรู้แต่มันแสดงให้เห็นว่าอดีตเป็นสิ่งที่ถูกรู้มันแสดงให้หนูเห็นเป็นทีละอย่างเก็บสะสมไว้ทีละอย่างเมื่อวานคือตัวหัวเราะเป็นสิ่งที่ถูกรู้ วันนี้จูงหมาเป็นสิ่งที่ถูกรู้และ อ, อดีตเป็นสิ่งที่ถูกรู้เหมือนมันเราไม่ต้องไปทำอะไรให้มันเห็นเห็นทีละอย่างแล้วอะค่ะมันมันจะเห็นไปเองของมันนะคะ่ะก็ก็ปล่อยปล่อยให้มันเห็นของมันไปเราถึงแม้เราจะไม่ไม่ได้ปฏิบัติหรือรู้อะไรเหมือนเดิมแล้วอย่างน้อยเรามีความ เ, เขาเขาเขาไม่เรียกว่าความสุข แต่ว่ามันจะเรียกว่าความยังไงดีคะหนูพูดเป็นภาษาไทยไม่ได้มัน peaceful อย่างยังไง peaceful mind นะคะเหมือนว่ามันสงบแบบไม่ใช่สงบทางโลกอะคะ่ะ ไ, ไม่ใช่สงบเหมือนที่เคยสงบแต่สงบแบบก็สงบแบบ อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอะค่ะคือคือคือพูดอธิบายรายละเอียดไม่ได้แต่มันซงพีซฟูลอะค่ะมันแบบอืมอย่างนั้นนั่นแหละอะไรเงี้ยแบบแต่ถ้าถ้าถ้าถ้าความสุขทั้งโลกอะมันมีมันมีการยึดได้มันมีการเปลี่ยนได้มันมันมันยิ้มได้มันร้องไห้ได้มันอธิบายได้ว่ามันทําไมต้องยิ้มมันทําไมต้องร้องไห้ แต่ถ้าเวลามันสุขแบบจริงๆไม่ควรจะพูดภาษาไม่ควรจะพูดวำว่าสุขเพราะมันไม่เหมือนกันมันอมันต้องพูดมันต้องมีภาษาหนึ่งที่ที่ใช้แทนกับคำว่าสุขทางโลกอะค่ะแต่ยังมันแต่นีมันอาจจะเรียกว่าสงบมันคือใกล้เคียงคือสงบแล้วกันค่ะสงบแบบไม่ใช่สุขแบบทางโลกอะค่ะทีนี้มันลึกๆ แล้วมันยึดไม่ได้ด้วยค่ะตัวนั้นเพราะมันมันไม่จาเป็นต้องยึดมันเพราะมันไม่มีอะไรไปยึดมันได้แล้วก็มันไม่มีเราที่จะไปยึดอะไรมันแต่มันแค่สงบอย่างเงี้ยค่ะมันเห็นตรงนี้ก็รู้สึกแบบนั้นพอรู้สึกแบบนั้นก็ก็ผ่านไปไม่ได้ไม่ได้ไปยินดีอะไรกับความรู้สึกตรงนั้นนะคะเพียงแต่ไปบอกบอกกับพี่จอมาค่ะว่าเออเรารู้สึก อย่างนั้นนะแต่เวลาเรารู้สึกอย่างนั้นแล้ว เ, เรายิ้มอะ่ะมันเป็นเอฟเฟกตของการรู้สึกอย่างนั้นแต่อยิ้มมันไม่ใช่เป็นความสุขแท้ค่ะมันแกเป็นเอ่อเอฟเฟกของของการที่เรารู้สึกอย่างนั้นออกมาทางกายแ ต, แต่เราจะยิ้มทุกนี้ไหมไม่ยิ้มอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้หกยิ้มแล้วะคะ่ะเพราะว่ายิ้มตอนหมอหม อ, อ, อเสร็จแล้วยิ้ม แต่รอยยิ้มมันหายไปมันไม่ใช่สุกอะค่ะแต่ไอ้ข้างในอะที่มันรับรู้ถึงความจริงที่หลวงพ่อบอกหรือว่ารับรู้ว่าอ๋อตรงนั้นอะมันยังคงอยู่ซึ่งเราก็ไม่รู้สึกแล้วมันยังคงอยู่แต่เรารู้ว่ามันอยู่อย่างเงี้ยหนูก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนกันและเราไม่ได้ไปยินดีกับมันด้วยหรือว่าเราแบบดีใจว่าเราได้ความสงบแล้วหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือมันมีก็มีให้เปรียบเทียบข้างนอกกับข้างในแค่นั้นแหละค่ะมันไม่ได้มีให้ยึดหนูเข้าใจอย่างนี้นะคะ่ะตอนน่าตอนนี้นะคะแล้วก็เหมือนว่าเวลา เ, เห็นอะไรอะไรค่ะเห็นอะไรไรนี่เห็นแค่สองครั้งอยู่เลยค่ะเมื่อวานกับวันนี้ หลังจากที่เห็นมันเร็วมากเวลาเห็นมันจะเร็วเป็นวินาทีได้เลยอะค่ะนู่นนี่นั่นเห็นแบบรวมกันเลยแล้วก็เห็นอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างที่บอกเมื่อวานเหมือนกันนะคะว่าเวลาเห็นเสร็จแล้วมันจิตก็ไม่ใช่จิตค่ะมันอะไรไม่รู้มันจะเป็นกลางอะคะ่ะมันไม่มีเหมือนว่ายึดทางวิวสังขารหรือสังขาร มันจะอยู่ตรงกลางระหว่างสองตัวนี้เหมือนว่ามันไม่มีเราในทั้งสองตั้งสองอย่างยึดไม่ได้มันไม่ใช่ว่าเราจะกลายเป็นไปหาเราเราไม่ได้ไปหาตรงนั้นหรือไม่ได้ไปหาด้านนี้ด้วยอะค่ะมันก็เลยแบบไม่อยากไปถามอีกแล้วว่าใครรู้เหมือนว่าถ้าถามใครรู้นันก็คือเราอะกำลังเอียงไปทางวิสังขาร เหมือนว่าเราพยายามจะอยากให้มันเป็นวิสังขารแต่แต่เพราะที่เราเป็นกลางเราเราเราไม่อยากไปไหนเราเราโอเคอยู่ตรงเนี้ยเออเป็นวิสังขารก็ก็โอเคสังขารก็โอเคก็เมื่อไหร่ก็เมื่อ น, นั้นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหนูหนหนูเห็นเห็นตรงนี้ชัดเอ่อวันเมื่อวานกับวันนี้เจ้าคะ่ะแล้วก็ถ้าถ้าถ้ า, ถาหลวงพ่อคิดว่า มีอะไรที่ผิดหรือว่าเอเห็นผิดหรือหรือสามารถเอ่อเหมือนว่าเอ่อมีอะไรชี้เพิ่มเติมหรื อ, อยังไงเอ่อการุณาช่วยชี้แจงด้วยะค่ะ่ะฟัง <c oughs> ได้ฟังที่โยมเล่ามาเนาะมันเป็นเป็นปัจจดตังคนอื่นเขาฟังบางทีฟังไม่รู้เรื่องเลยนะ แต่กองโยมน่ยหลวงพ่อเขเห็นแล้วว่าโยมเป็นผู้ที่พูดพูดออกมาจากใจจริงๆนะใจมันรู้ยังไงก็พูดอย่างนั้นแต่ภาษาเนี่ยภาษาเราเนี่ยไม่อาจจะพูดแทนใจได้แต่ก็พยายามที่จะสื่อออกมาให้คนอื่นได้เห็นตามแต่มันก็ยากเนาะเพราะว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยล้วนแต่เป็นความปรุงแต่งนะแต่ใจที่โยมรู้จักแล้วเข้าใจแล้วนะ่ะนะมันไม่ปรุงแต่งเนาะ พอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วมันยากนี่แหละธรรมะที่เมื่อมีการปฏิบัติอย่างถูกต้องเนี่ยบางทีมันอธิบายไม่ได้ไงแต่อธิบายก็เพื่อแค่เหมือนกับว่าเป็นเป็นชี้บอกชี้ทางเป็นแนวทางให้กับผู้ฟังแต่คําที่พูดออกมาเนี่ยมันมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่สัจธรรมแท้เนาะแต่ก็ต้องต้องพูดเพราะว่าถ้าไม่พูดเรารู้คนเดียวเราก็มันไม่รู้ใครว่าไม่ได้เกื้อกูลใครนะแต่พยายามจะพูดให้คนอื่นเข้าใจนะ แต่ถ้าพูดที่เข้าใจนะเข้าใจเข้าใจแบบในสัจธรรมแท้แล้วเนี่ยก็ฟังฟังได้ไม่ยากแหละรู้เลยว่าอ๋อพูดแนวนี้แสดงว่าพูดออกมาจากใจพบเห็นจริงๆนะแล้วเขาพูดก็ตรงนี้ก็ก็ถูกต้องแล้วแต่บางทีมันก็อย่างว่าเนาะซึ่งเป็นรายละเอียดเล็ ก, ล ก, ลกๆน้อยๆเนี่ยก็ต้องรับฟังกันต่อไปว่ามันมีอะไรที่มันหลงอยู่บ้างอย่างเช่น เมื่อกี้ที่เราเล่าเนาะเราเล่าเรื่องสภาวะเนี่ยเราเล่าเรื่องสภาวะว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นคือเล่าถูกต้องแหละแต่ตรงสุดท้ายสุดเนี่ยมีอะไรหลวงพ่อจะแนะนําอะไรให้หนูเพิ่มเติมฮะจะหลวงพ่อจะแนะนําอะไรหนูอีกนะเนี้ยตรงนี้แหละมันจะมีตัวเราอีกแล้วตัวเราคืออยากจะได้ความรู้เพิ่ม อยากจะได้อะไรบางสิ่งบางอย่างที่ที่เรายังไม่รู้เนี่ยถ้าถ้าสมมติถ้าหลวงพ่อไม่ชี้ตรงนี้มันก็พลาดไปคือไม่เห็นแต่พอหลวงพ่อชี้ปับ๊บโอ้ใช่เลยเมื่อกี้เนี่ยยังมีตัวเราเป็นผู้ขอความรู้จากหลวงพ่อการที่ขอแบบนี้ก็เพื่อประโยชน์ของเราแหละไม่ใช่ของใครเพื่อให้เราเนี่ยเผื่อยังมีอะไรที่เรายังยังผิดหลงอยู่ เพื่อเราจะได้เข้าใจถูกจะได้ไม่ผิดอีกต่อไปเห็นไหมความเป็นตัวเราเนี่ยซึ่งมันละเอียดมากเลยนะถ้าไม่มีคนชี้เนี่ยมันก็เห็นได้ยากแต่อาจจะไปนึกได้ตอนหลังก็ได้ว่าโอ้เมื่อกี้นะที่พูดไปอย่างนั้นนะโอ้มันมีตัวเรานี่อันนี้อาจจะนึกได้เองแต่ถ้านึกไม่ได้มันก็ไอความเป็นตัวเราตัวนี้ก็ยังยังมีอยู่เพราะมันเป็นอวิชชาที่ รู้ไม่ได้อวิชชาคือไม่รู้ความไม่รู้ในสิ่งที่ที่ที่กําลังพูดขณะนั้นว่าอ๋อที่กําลังพูดมันก็เป็นสังขารที่บอกว่าอหลวงพ่อมีอะไรแนะนําหนูบางอันนี้มันเป็นสังขารแต่มันมันพลาดไปนิดหนึ่งคือรู้ไม่ทันพอรู้ไม่ทันปับ๊บอวิชชาเนี่ยมันก็ไปยึดสังขารมาเป็นตัวเป็นตนคือเป็นเราขึ้นมาะแต่พอหลวงพ่อชี้แบบนี้เห็นไหมมันก็สว่างใจอีกแล้ว สว่างอีกแล้วเพราะมันหลุดไงมันแจ่มแจ้งไงเหมือนกับว่าได้รับคําชี้บอกอันนี้ครัเนี่ยธรรมะที่มันละเอียดแบบนี้ละเอียดละเอียดแต่ผู้ที่มีอัตราสูงนะถ้าสมมุติจะชี้แบบนี้มันก็จะมีอัตราตัวใหม่ก็จะมาคุ้มครองตัวเองว่าเราเข้าใจแล้วไม่ต้องมาบอกหรอกเมื่อกี้เรารู้ทันไงเห็นไหมมันจะเถียงออกมาว่าเรารู้ทันแต่เราที่เราพูดไปมันเป็นภาษาสมมติ นี่ไงไอตัวเราตัวหลังเนี่ยมันก็เป็นเบื้อเริ่มอีกเพื่อคุ้มครองรักษาตัวเองเพื่อให้ตัวเองอ่ะดูดีว่าตัวเองอ่ะเข้าใจตั้งแต่ตอนพูดแล้วเห็นไหมเนี่ยพวกนี้มันเป็นเอาวิชาซึ่งละเอียดมากทีนี้พฤติกรรมของคนเนี่ยถ้าเราเข้าใจตรงนี้นะเข้าใจความเป็นอัตตาเนี่ยดูง่ายนิดเดียวจะมีถือว่าจะแนะนําอะไรหน่อยเนี่ยมันจะมีอัตตามามาสู้มาเถียงเพื่อคุ้มครองให้ตัวเองดูดีอ่ะ ให้สังเกตนะสังเกตตัวเองด้วยสังเกตคนอื่นก็ได้บางทีถ้าสังเกตคนอื่นเนี่ยเราจะเห็นได้ง่ายก่อนว่าโอ้คนนี้เถียงอีกแล้วเถียงนี้แสดงว่ายังมีอัตตาตัวตวนเพื่อที่จะรักษาตัวให้มันดูดีทีนี้พอเราเห็นคนอื่นปั๊บต้องน้อมเข้ามาใส่ตัวเองว่าเราก็เหมือนกับเขาเหมือนกันแหละหอย่างงี้ยก็เรียกว่าเอาคนอื่นมาเป็นอาจารย์เราซะว่าเราก็เหมือนกับเขาแหละเวลาคนอื่นโต้ยแย้งเราเราก็จะเถียง ว่าไม่จริงไม่จริงไม่จริงเรามันเป็นอย่างนี้เราไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยตรง น, นี้ก็ได้ประสบการณ์เรียนรู้ไปนะพวกนี้มันเป็นเป็นเป็นรายละเอียดมากๆซึ่งจะต้องสังเกตเรียนรู้ไปแต่ถ้าโดยเฉพาะครูอาจารย์ที่ที่เราศรัทธาหรือไม่ศรัทธาก็แล้วแต่ถ้าเขาพูดอะไรขึ้นมาบางครั้งบางคราวเนี่ยต้องเอ็ใจพิจารณา น, นิดหนึ่งว่าทําไมท่านตึงทักท้วงมาอย่างนั้นมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งอ่า เราอาจจะมองไม่เห็นตอนนั้นแต่ก็ต้องต้องเหมือนกับว่ารับฟังนะรับฟังว่าเออทาไมเขาเขาทักท้วงเขาชี้บอกอย่างนั้นนะคนเหล่านั้นแหะเป็นคนที่แบบทักท้วงเราหรือชี้บอกเนะียจริงๆเป็นผู้ชี้ขุมทรัพย์นะถ้าว่าไปนะแต่ถ้าเราไม่มีทิฏฐิมากก็เออน้อมเข้ามาแต่ถ้ามีมีทิฏฐิมาณนะัตตาตัวตนสูงก็จะไม่มองไม่พิจารณาโดยแยบคายก็ทำให้พลาดได้ เหมือนหลวงพ่อหลวงพ่อเล่าเรื่องก็ได้เรื่องหลวงตานละหลวงศักดิ์จริงๆรู้จักท่านมานานแล้วแล้วก็ติดตามท่านมาเนาะแล้วก็ศรัทธาในคําสอนที่หลวงตาสอนเนี่ยศรัทธาจริงๆว่าทุกคําพูดที่ท่านพูดเนี่ยคือมันลงใจหมดคือเห็นด้วยหมดไงไม่โตแยงแต่บางครั้งบางคราวเราเราอาจจะไม่เข้าใจนะเราไม่เข้าใจแต่ก็ไม่เป็นไรก็มีอยู่ครั้งหนึ่งสัก ปีที่แล้วมั้งหลวงพ่อก็ไปไปที่ที่อินบุรีเนาะเพราะว่าท่านตอนนั้นท่านอยู่ที่อินบุรีเราก็อยู่ลบบุรีก็ไปไปเยี่ยมไปหาแต่ไม่ได้มีเจตนาว่าต้องไปฟังอะไรหรอกเหมือนกับว่าเออเห็นท่านมาใกล้ๆก็เลยไปกันหน่อยพอท่านสอนเสร็จท่านก็ออกมาเจอหน้าบอกท่านอดัดเป็นไงตอนนี้ปฏิบัติแบบไหนมาเพรหลวงพ่อบอกว่าก็ปฏิบัติตาม ท, ที่หลวงตาสอนนั่นแหละ โอ้ท่านชี้หน้าเลยแล้วบอกตรงนี้เลยตรงนี้เลยนะตรงนี้เลยคือหมายความว่าอย่าเพิ่งไปคิดเรื่องอื่นอย่าไปไปทําอะไรให้พิจารณาคําพูดเมื่อสักครู่เนี้ท่านใช้คาว่าตรงนี้เลยตรงนี้เลยแต่เราก็เข้าใจเลยลเพราะว่าเราติดตามกันฟังมานานแล้วพอตรงนี้เลยปั๊บที่บอกว่าผมปฏิบัติตามที่อาจารย์สอนนั่นแหละ แค่นี้เลยพอท่านบอกว่าตรงนี้เลยปั๊บมันนึกออกขึ้นมาว่าเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหมีตัวเราเป็นผู้ปฏิบัติพลาดคือหมายนกับว่าหลงไงหลงหลงว่าหลงความเป็นตัวเป็นตนว่ามีเราเป็นผู้ปฏิบัติตามคําสอนแต่มันก็ระลึกได้นะเฉเหลียวใจได้ทันมันไวอ่ะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันมีประสบการณ์อยู่แล้วพอถูกท้วงติงนิดเดียวมันก็ตื่นรู้ขึ้นมาฉับพลันทันทีเลยว่าเมื่อกี้เนี่ยมันหลงจริงๆ อันเนี้ยต้องรู้อยู่แก่ใจเองนะว่าเมื่อกี้มันหลงหรือไม่หลงแต่รู้อยู่แก่ใจจริงว่าเมื่อกี้เนี่ยสักครู่เนี่ยคือมันมีตัวเราเป็นผู้ปฏิบัติตามที่ท่านสอนพอตื่นรู้เสร็จแล้วนะคำพูดต่อมาหลวงพ่อก็พูดเองอีกบอกว่าเข้าใจแล้วพอบอกเข้าใจแล้วถูกชี้อีกแล้วถูกชี้อีกแล้วว่านี่เลยนี่เลยเ๊อปอ่าก็ตื่นรู้ทันอีกแล้วทันต่อคาพูดตัวเองที่บอกว่าเข้าใจ แต่ตอนที่บอกว่าเข้าใจจริงๆอะตอนนั้นมันยังมีตัวเราเป็นผู้เข้าใจไงเข้าใจหมายความว่าไม่มีเราเป็นผู้ปฏิบัติคือเข้าใจแล้วแต่ไอ้ที่พูดไปว่าเข้าใจแล้วเนี่ยมันยังมีตัวเราเป็นผู้เข้าใจพอท่านชี้ว่าตรงนี้เลยปั๊บตื่นเลยว่าโอ้โหเมื่อกี้ก็หลงอีกหลงว่าเราเป็นผู้เข้าใจเห็นไหมมันจะตื่นรู้เร็วมากเลยฉับพันมากเลยพอรู้ทันว่าเมื่อกี้หลงปั๊บ ว่าเราเป็นผู้เข้าใจความเป็นเราก็จะหายไปเพราะอันนั้นอ่ะที่พูดออกไปหรือว่าเป็นความรู้สึกอะไรแล้วแต่มันก็เป็นแค่สังขารที่ถูกรู้ใช่ไหมเออมันก็เป็นสังขารมันก็เลยพลิกจากความเห็นผิดกลายเป็นความเห็นถูกในฉับพลันทีนี้พอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วมันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่ามันจบอ่ะมันเหมือนกับว่าไม่ต้องพูดไม่ต้องคือหยุดเลยเนาะแล้วหลวงตาท่านก็เห็นแล้วว่าโอเครู้ทันแหละ ท่านก็ไม่พูดเรื่องนี้และทีนี้ท่านก็ชวนคุยเรื่องทั่วไปแล้วตอนเนี้คุยแบบโลกโลกคุยอะไรไปเรื่อยอๆนะเนี่ยอันนี้มันเป็นได้ประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่เหมือนกับว่าการที่ครูบาอาจารย์ชี้จุดแบบเนี้ถ้ามีประสบการณ์บ้างแล้วเนี่ยมันจะตื่นรู้ขึ้นมาฉับพลันแล้วมันก็จะเปลี่ยนจากความเห็นผิดเป็นความเห็นถูกนะก็ เ, เรียกว่าดับอวิชาเป็นวิชาขึ้นมาในขณะจิตนั้นเนี่ย แล้วก็ประสบการณ์เหล่านี้เมื่อมันเคยเกิดกับตัวเองเนาะเวลาการพูดคุยสนทนาในเรื่องของธรรมะเนี่ยธรรมะขั้นสูงอย่างเนี้ยมันก็จะมักจะรู้ทันบ่อยๆเวลามันพลัดหลงไปเป็นเป็นตัวเป็นตนเนาะมันจะรู้ทันง่ายขึ้นเพราะว่ามันมีประสบการณ์นะทีนี้ตรงเนี้ยอย่างของพวกยองก็เหมือนกันในพวกเราเนี่ยการที่ได้ยินได้คุยแล้วก็สนทนากาันแล้วเมื่อมีการชี้บอกก็ ผู้รู้ก็จะบอกให้แล้วก็ผู้ฟังก็จะเก็ตจะเข้าใจนะอย่างของโยมเมื่อกี้เนาะหลวงพ่อเชื่อว่าเพราะว่าโยมตัวนี้ชีวิตของโยมเปลี่ยนแล้วนะแล้วก็จะไวมากถ้าเกิดมีใครชี้ปับ๊บก็จะเห็นตามได้ว่ามันใช่มันใช่ใชอย่างเงี้ยแล้วก็จิตก็จะเบิกบานจิตใสโลง่งอะไรนี่นะมีภาษาสมมติก็เรียกว่าเป็นความสุขอะเป็นความสุขตีรู้ได้ว่ามันโลง่งมันเบาเนาะ แต่ความโล่งความเบานี้ก็เป็นแค่อาการที่มันเกิดจากมีเหตุอย่างนี้ก็มีผลอย่างนี้เนาะยังเป็นสิ่งที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ยังเป็นสังขารอยู่แต่สิ่งที่ไม่เป็นสังขารนะเที่ยงแท้แน่นอนก็คือ <c oughs> ธรรมชาติรู้หรือว่าจิตรู้นั่นแหละจิตที่รู้เรานะัะจิตที่รู้ทุกอาการนั่นแหละอันนั้นแหละเที่ยงแท้แน่นอนซึ่งมีอยู่แล้วแล้วก็โยมก็รู้จักแล้วล่ะแต่ว่าเมื่อรู้จักปับ๊บไม่ต้องถามหาแล้วว่ามันคืออะไรอีก เพราะว่าถามหามันยิ่งเหนื่อยยิ่งยุ่งยากเนาะก็แค่ยอยู่เป็นปกติธรรมดา chopsticks. แล้วก็มันก็จะรู้ตัวเราไปเรื่อยเราจูงหมามันก็รู้แล้วหมาก็เป็นสิ่งถูกรู้เชือกเชือกอะไรต่างๆถ้ามันะระลึกได้ตอนนั้นมันก็เป็นสิ่งถูกรู้หมดเลยนะเป็นสิ่งถูกรู้แม้กระทั่งปัจจุบันตอนนี้เดี๋ยวนี้ที่นั่งฟังอยู่มันก็เป็นสิ่งถูกรู้ที่กําลังคิดก็เป็นสิ่งถูกรู้ที่กําลังเบิกบานแจ่มใสก็เป็นสิ่งถูกรู้หมด เพราะนั้นจึงไม่จำเป็นต้องไปหาผู้รู้เพราะหาผู้รู้แล้วมันก็หาไม่เจอก็เพียงแต่ให้มันรู้ของมันไปแล้วก็จะเกิดจะเกิดอาการจะเกิดภาวะตามที่โยมเล่านั่นแหละรือเป็นอย่างนั้นแหละขอพระคุณค่ะ